50 languages. หกสิบรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของหนึ่งสวามีส a ขะ a ะ a รีวนาหมา n d ุดิฉันของดิฉันน a นุนันน a ดิฉันหากุญแจของดิฉันไม่พบนั่นน่ะบีก็จะเคยสิกุติละดิฉันหาตั๋วรถของดิฉันไม่พบนั่นน่ะประหยานะติเกตูสิกุติลคุณของคุณ น, นีนุนินนาคุณหากุญแจของคุณเจอไหม นินเกนินนาบีก็ดส่สกิเตคุณหาตั๋วรถของคุณเจอไหมนินเกนินนาพยายามอัดตั๋วตสกิเตเขาของเขาวันนูวนนาคุณทราบไหมว่ากุญแจของเขาอยู่ที่ไหนวนนาบีก็ดคยยลีเดยินดูนินเกกุตเต คุณทราบไหมว่าตั๋วรถของเขาอยู่ที่ไหนเนยานะตนดูนนเกกเเธอของเธอเลูละเงินของเธอหายละนะ่ละฮะะเลดูฮกิเดลาบาทเครดิตของเธอก็หายด้วย มัตต์อวลล่าเรดิตการ์ดสหคลย์ดฮกิเดเราของเรานาวหนมมะคุณปู่คุณตาของเราไม่สบายหนมมะตาตานวริเยอนาโรคยวากิดคุณย่าคุณยายของเราสุขภาพดี น้ำ ม, มะอัจจีอารการวากิดดาด้คุณหนูของหนูนีวนิมมะเด็กๆคุณพ่อของหนูอยู่ที่ไหนมักกะเลนิมมะทันเดย์เยลิดไ ด, เเด้เด็กๆคุณแม่ของหนูอยู่ที่ไหนมักกเลนิมมะทายีเยลิดได้